เรามาปาักแล้วก็นำไปใช้นำไปทำนำไปประกอบเอาใส่คำพูดไปทำให้มันเกิดที่กายที่จิตใจของเราไหนๆพวกเราก็อยู่ในมาอยู่ในภ้ากาสัพพัตคือถือบวชสพพัวบวชคือไปสู่ความดี อันหลังให้ความชั่วแล้วก็มีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่เราทำทำตามพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงทรงสอนเราก็ามาประกอบให้มันเกิดขึ้นในกายที่จิตใจสนับสนุนตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการสนับสนุนตัวเรา ให้เกิดสิ่งดีสิ่งงามทั้งหลายให้เกิดธรรมให้เกิดกุศลเช่นเราเจริญสติเราทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเรามีธรรมวินไนมีระเบียบเหมือนกับการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพคุณธรรมกับชีวิต เพิ่มสติมีสติมีความอดทนการสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตเนี่ยหลายอย่าง <c oughs> มีหลายอย่างที่เข้ามาประกอบมีสติมีความเพียรมีความอดทนมีความละอายมีเมตตากรุณา มีมุทิตาอุเปขา <c oughs> มีศีลมีสมาธิมีปัญญาหลายอย่างเอามาสนับสนุนส่งเสริมเคลียร์ตัวเองแม้ที่อยู่อาศัยการใช้ชีวิตรประจำวันเพศของเราผ้ากาสวพัดเราใช้ เพศของเราให้เป็น <c oughs> หลักเป็นแหล่งเป็นฐานอะไรที่เรามองตัวเราก็รู้จักว่าฐานะของเราอย่างไรยิ่งพวกเราได้ประกอบประลบความเพียรในกรรมฐาน ระยิ่งสมบูรณ์อะไรที่เราได้เวลาที่เราฉันบินทมบาทหูุหมบาทรต้สู่รกติเสนาสนะที่เราอยู่หวางบาทลงนั่งตั้งกายตรงเจริญสติมันสุดหัวใจนอกจากนั้นเราก็ ใช่อิบตคอื่นๆเดินจงกรมที่อยู่ที่อยู่ของตนของตนต้องมีทางเดินจงกรมเพื่อเป็นสนับนการสนับสนุนให้เกิดมีงานมีการอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าให้มีอย่านำไปใช้ในกติของตนวิทยุโทรทัศน์ อะไรต่างๆต่ใช้กกรใช้อย่ามวัวเมาอย่ามวัวเมาใช่กายใช่ใจของเราเนี่ยให้มีสติส่วนอื่นที่ใช่ให้เกิดความหลงงดเว้นโูดการคุยกันความหลงมันเกิดขึ้นมาอะไรแย่ใดมุมใดเปลี่ยนพยายามที่จะ รูช่องรูทางที่มันเกิดความหลงมีสติสัมปชัญญะโดยเฉพาะเวลาที่เราปราลบความเพียรเนี่ยช่องทางที่มันเกิดความหลงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการปฏิบัติเนี่ยกายานุปัสสนาเอามันหลงที่กายเอาดูมันเวทานานุปัสสนามันหลงที่ความปวดความมืยดูมันมันจะหลงเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงนี้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 หพระพุทธเจ้าทรงส อ, งสอนไว้ไม่ใช่รอนะปฏิบัติทำนะเป็นการเข้าถึงทุกเรื่องทุกเร่ามันหลงเข้าถึงความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้อนะ่ะแหละตัวปฏิบัติความรู้สึกตัวไม่ต้องรอยกมือขึ้นรู้ทันทีอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้เอาความรู้ไปเจี่ยวข้องเหมือนกับแหล่งแห่งความรู้ไม่มาก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 ตรงกันข้ามกับความรู้สึกตัวทันเถหัดให้เป็นนิดใสหัดให้เคยคินอย่าให้ความหลงสร้างความหล ง, น, ห น, หง <c oughs> นี่คือหนักปฏิบัติอย่าให้ความทุกข์สร้างความทุกข์นี่คือนักปฏิบัติอย่าให้ความโกรธสร้างความโกรธสร้างความรู้มาอะไรเปลี่ยนเป็นรู้ทั้งหมดให้มันตรงกับหลักภาวนาเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยน เปียนเป็นถูกทั้งหมดเกิดสมาธิฏิินี่ไม่ใช่เรื่องรอคอยไม่ใช่เรื่องรอคอยการปฏิบัติการเปลี่ยนสิ่งผิดให้เป็นถูกเนี่ยน่าละมักแล้วนะจึงทําไมจึงแกเปลี่ยนได้เพราะเราเห็นเราดูอยู่มีสติ ด, ดูมีตาอยู่มองดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ ว่าอะไรเกิดขึ้นก็นต้องเห็นต้องเปลี่ยนนะั้นมรคคือดูผลคือมรคคือดูผลคือทำได้แล้วถูกต้องแล้วมันหลงรู้แล้วหรอเป็นมรคเป็นผลอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่ตายแล้วไม่ใช่อะไรตรงไหนจะถึงมรคถึงผลขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงมรคผลที่ผ่านอนาคตต่อการเบื้องหน้านโ น, นเทินไม่ใช่ไม่ใช่เบื้องหน้าปัจจุบัน เบื้องเบื้องหน้านี่นู่นอย่าไปนู่นนี่ น, นี่เดี๋ยวนี่ให้ให้ให้เป็นมรรคเป็นผลเดี๋ยวเนี้มันโกรธมันก็ต้องเป็นมรรคหรอกเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้สึกตัวเป็นผลแล้วมรรคผลต้องอยู่ใกล้ๆแต่มาร่อนใจเย็นใจหน่อเป็นมรรคเป็นผลแต่ในพานไมจ่จริงจริงก่อเดี๋ยวนี้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 กายก็วิ่งไปกับเขาตาก็ไปกับเขาจิตก็ไปกับเขาหูก็ไปกับเขาเสียงที่เขาด่าเสียงที่เขาเน้นทาเสียงที่เขาฉลอเสือน า, นานมาแล้วยังวิ่งไปได้ยินวิ่งไปข้างหน้าว่าน้ำเหลวไม่มีอะไรเราก็เสียเ ว, เวลามามากแล้วกับการวิ่งไปข้างหลังกาบ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 เวทนาจิตธรรมมันหลงปัจจุบันมันหรือว่ามั น, นดาทําให้เกิดความรู้สึกตัวไม่ได้เอามันเลยอ่มันตรงนี้หรือมันมีตัวอยู่ในกายหรือเรื่องของกายมันเรื่องใหญ่จนเกิดกิเลสตัณหาเกิดปัญหาหรือกายานุปัสสนายิ่งใหญ่ขนาดไหนพอดูเข้าจริงโอ้ยมันก็บอกว่ากายเะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเลาเขา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 โล่งที่สุดตรงไหนถ้าเราไม่มีสติก็ตันแล้ว่ะนะมืดอวิชาเป็นป่าเป็นดงไม่รู้ไม่รู้รกายกายก็เลยสร้างวองป่าเถื่อนให้เกิดกับกิตกับใจกับผู้กับคนกับสิ่งอื่นติดเหล่าติดบุดรีติดอะไรต่างๆเกี่ยวกับกายปัญหาเยอะแยะอเอากายออกหน้าออกตา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 เอาคนก็คิดทางต่ำๆแล้วมันก็มีโอกาสต่ำเราจะเปรียบกิจของเราเหมือนน้ำไหลาจากที่สูงลงตู่ที่ต่ำก็ไหลเอียงไปลาดไปได้ง่ายเราจึงมาทวนมาดูยกขึ้นมีสติมันยกขึ้นหน่อยมันไม่ไปไง่ายๆนะเห็นเนี่ย กายก็ดีเวทนาก็ดีกิจก็ดีทำก็ดีทำเนี่มีหลายอ่าเป็นอกุศลวนนความมความง่วงเอาจริงนอาจนความลังเลสงสัยความคิดปุ่งสารเป็นธรรมนะธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกุศลก็รู้สึกตัวมีสติมีปัญญามีศีล ไม่หวนไว้เพราะความคิดของตอนเองความคิดของตอนเองทําให้ตนเองหวนไว้ผู้มีศีลไม่หวนไว้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนเพราะลมเพราะอะไรต่างๆเพราะฝนผู้มีศีลไม่สะเทือนเพราะความเนินทธสรเสริญหรือความคิดความง่วงเหงานอนไม่หวนไหวเข้มแข็งอยู่บนมันความง่วงเข้มแข็งอยู่ความลังเลสงสัย เข้มแข็งอยู่ความคิดพุ่งสั่นคิดพุ่งสั่นมันพัดพาเราไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดไปไลไปนะโอ้ไม่สติไม่หวนน่โทษดอ่มันเป็นภูเขานะความงงเอาหอนอนความรังเลสงสัยความคิดพุ่งสั่นเป็นภูเขาวขวางกัน้นไม่ให้เราบรรลุคุณงามความดี ถ้าเราไม่ข้ามตรงไห น, นเราจะขึ้นได้ยังขึ้นสูงได้ยังไงจะเก่งตรงไห น, นมันเป็นเกณฑ์แบบนี้ถ้าเราหัดมันก็ไม่ต้องมีแล้วความลังเลสงสัยมันไม่มีชัดเกฑ์ไปเลยแม่นยำไปเลยบุญคืออะไรบุญก็คือใจดีใจงามบุญคือรู้หน่รู้อะไรรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ แต่ก่อนไม่รู้ไม่รู้แมก้กระทั่งความคิดตัวเองอยู่กับความคิดข้ามปีข้ามเดือนกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดหมกมุ่นอยู่กับความคิดตัวเองวันนี้เราม่เห็นรู้แล้ววันนี้บุญแล้ววันนี้รู้ตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับกายเกับใจเป็นปัญญาแต่ก่อนเรื่องของกายของใจไปงโง่หลงงมงายก็แม้เจ็บไข้ได้ป่วยงูพราะเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยทำํำไมโง่หลง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 อย่างอย่างเหมือนกับพิกษุนีที่บวชแล้วสําเร็จแล้วหรือไม่ใช่ความเป็นพระมันคืออะไรนี่ความเป็นพระคือประเสริฐ ต, ตรงนี้พวกเราก็เหำลังกันบวชเป็นพระแล้วหลวงพ่อเป็นอุปชฌาไม่ใช่อา น, นั่นมันเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นเป็นเป็นปรมาจิตจักปรมัรจิตพระ ส, สงเกิดจากพระสัทธธรรมนะ มีการปฏิบัติดีเป็นต้นไม่ใช่พระสงฆ์เกิดจากอุปชาบวชในโบทไปพระหัตถบาทเท่านั้นรูปเท่านในรูปไม่ใช่อันนั้นเป็นสมมุติบัญญัติมันจริงแบบสมมุติไม่จริงแบบปรมัตา์พระสงฆ์เกิดจากพระสัทธธรร ม, มการปฏิบัติดีเป็นต้นอย่างที่เราสวดสัทธธรรมโชสุปฏิปฏิปันาคุยโต พระสงฆ์เกิดจาะ ก, การปฏิบัติทำเมื่เกิดปฏิบัติดีเป็นต้นนั่นปฏิบัติตรงไหนนี้แล้วกําลังทําอยู่นนี้ย แ, แล้วก็รูปแบบของเราก็ช่วยสนับสนุนนะมีธรรมะเวินยมีธรรมเวินยสนับสนุนอ่าไปเลยบ้านะไม่คิดไม่ทำํำไม่พูดในสิ่งที่เคยคิดเคยอยู่ในแบบไหนก็เปลี่ยนแลยบ้านะ เรียนแล้ว่อยู่ในกระต๊อมกติอยู่คนเดียวอยู่ในที่มีอะไรน้อยๆสันโดษนะโดยเฉพาะพวกเราอยู่ในป่าจะให้มีของอยู่ของกินถ้าเป็นนมกล่องก็พอได้แต่ถ้าเป็นอาหารอด่นๆไม่ดีไม่ดี เพราะว่าหนูมันรู้นะมันรู้เอาไว้ดีขนาดไหนมันก็รู้เหมือนหลวงพ่อไปว่างวันเมื่อสองวันน่ยไปพักที่นวนอนพักที่กติจารกำมพลเสียงอะไรดังตลดอดเออังเกตดดูเออหนูมันเข้าไป ตั้หลายตัวก็วิ่งสวนสนกันอยู่เออมันมาอย่างไงเนี่ยสังเกต ด, ดูพอมันวิ่งไปวิ่งมาก็สายไปตามไปมันมีถุงข้าวสารมีถุงข้าวสารแล้วหน้าต่างปิดไม่สนิทม่งรวดภาษาอะไรม่งลวดหนูกัดเป็นรูโบไปเลย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 หนูมางูมาคนอยู่ด้วยกันกับงูไม่ถูกต้องไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมมุติบัญญตัติโอ้ไม่เป็นปรมา จ, จักรคนอยู่กับงูไม่ได้คนอยู่กับหนูก็ไม่ได้คนต้องอยู่ดูแลให้ดีๆมีสติสมัชัญยะโอ้มีสติมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมีสติมันสนับสนนให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยไม่สิ้นเปลือง การใช่ชีวิตไม่กังบนเอาฉันมันนั่งอันเดียวนั่งที่เดียวทอไมนั่งอาสนะศาลาหน้าหะ่ะไม่ต้องฉันแต่ ว, ว่าฉันอยู่ที่เดียวของเขี่ยวของฉันฉันที่เดียวถ้าไม่ถ้าแต่ฉันก็ต้องนั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นเว้นไว้แต่มีเหตุจําเป็นรีบล้นหรือ การงานต่างๆที่ดวดดวดเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยกันบินธบาติไม่พอฉันโภชนะเป็นของสมณะก็ไม่ใช่อุปท า, านยึดมั่นถือมั่นอยู่กรุงเทพหิวข้าวอยู่กรุงเทพจะต้องนั่งรถวิ่งมานั่งอาสนะตรงนี้มันก็ไม่ใช่เดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยกัรบินธบาติไม่พอฉันโภชนะเป็นของสมณนะ หรือเวลาการเจวอนเวลาทำเจวอนงานการยากห <c oughs> ลวงพ่อไปอยู่สวนโมกสมัยปี514อาจารย์พุทธทาสอยากเจาะภูเขาทองให้เป็นอุโมงผ่านไปทางทิศเหนือผ่านไปทางทิศใต้ใ้ทำอุโมงก็ชวนกันกันกบอาจารย์บัญญัติไปไปเจาะภูเขาก่อนเห็น ว่ภูเขาทองตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นแท่นใหญ่ๆมันเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างเอาไปงัดไปขุดเอาแสลงเอาล่อเอาล่อมาแล้ล่อรถไปอ่าไปสั่งล่อรถไปใส่คันรถสี่ล่อมาต่ำๆมาเอาลางมาวางสำหรับทุกก้อนเห็นออกจากทําแล้วก็ค่อยงัดไปเทลงเขานอนอยู่ตรงนั้น ทำงานอยู่ตรงนั้นตื่นเวลาใดทํางานแล้วนั่นเหนื่อยเวลาใดพักเวลานั่นโ อ, อ, ตน อ, อ้ตอนเช้าก็ไม่แม่คีเอาข้าวไปส่งหาบข้าวไปส่งตอนเที่ยงก็ไม่แม่คีหาบข้าวไปส่งตอนเย็นก็หาบตั้มปนะไปส่งเออก็ทํางานอยู่ทางนั้นเวลาทํางานเวลาทําจีวรการจีวรงานมันมาก น, นั้นได้ไม่เป็นไร เพราะนั้นนีการที่อยู่ของเรานับสนับให้เกิดสติสมชัญญะให้เกิดสติสมัชัญญะอย่าเป็นปริพ์ของบนญาติปริพ์ก็เป็นดีนะปริพ์กับญาติเออยังมีลูกมีเมียยังมีงานมีการงานมันมีอยู่หรอกแต่ว่าไม่ใช่เรื่องคิดบางทีงานมันทำเสร็จแล้วเอามาคิดมันไม่ใช่เรียกว่างานปริพ์ มันจะต้องทำไม่ใช่มาคิดเรื่องทำงานไม่ใช่อ๋อคำตอบจากความคิดบางอย่างเราใช้ความคิดเอาความคิดตอบแต่พืพ้นๆไม่ถูกต้องเสมอไปมันต้องมีการกระทำมันต้องมีการกระทาไม่ใช่มานอนคิดเรื่องงานเรื่องการไม่ใช่นอนคิดเรื่องรักเรื่องโกรธไม่ใช่ คิดถึงพ่อถึงแม่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงบุตรพันยาสามีห่วงงานห่วงการไม่ใช่เรื่องคิดนะให้ห่วงเก่งๆก็ต้องไปทําต้องไปทำํำแต่รักพ่อรักแม่ก็ไม่ใช่คิดถึงอะไรอาวบนต้องทําตัวให้มันดีไม่ใช่ไปคิดจนนอนไม่หลับนั้นไม่ใช่ความรักความรักก็ต้องคือทําตัวให้มันดีให้มีความปกติ นอนให้มันหลับกินให้มันอิม่มจัดให้มันเป็นละเอียงอย่าทําชั่วอย่าเป็นคนเจเลยเจกะใจลอยใจลอยใจเสียไม่ใช่ห่วงอะไรไม่ใช่แบบรักตัวเราเนี่ยแหละทำตัวเราให้มันดีให้ตัวเราเป็นคนดีนี่คือความรักแต่เรายังเป็นคนดีไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ความรักเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนดีแล้วนะ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 คือแท้คือตัวปฏิบัติธรรมเลยสลูปเลยทีเดียวเลยเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่คือความวารักพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักลักที่สุดในโลกไม่ใช่แบบหนังอะไรต่างๆไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นยอดนักลักที่สุดนะพมิีเนยเป็นยอดนักลักแล้วไม่ฟุ่งซ่านไม่ปาลิโพดเรื่องใดรู้สึกตัว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 ตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานมันเป็นเรื่องบุกเบิกกรรมคือการกระทาผลมันจึงจะมีบุกเบิกไปก่อนลู่ไปก่อนลู่ไปก่อนลู่ไปก่อน เ, อเพิ่งไปหาเหตุหาผลจากการกระทาการกรรมฐานหาเหตุหาผลอะไรมือเราก็มีกายเรากม็มายกมือสร้างจังหวะหมาเดินจงกรมหาเหตุหาผลตรงไหนไม่ใช่เอากรรมก็เป็นรมแนกสัตว์ นะไม่ใช่เรื่องเหตุเรื่องผลมันเป็นตัวกรรมแล้วยกมือสร้างจะว่าโอ้มันก็รู้แล้วความรู้สึกตัวอยู่ที่กายเวลาใดที่มันหลงคิดไปมีความรู้สึกตัวนั้นแหละกรรมแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ควบคุมไปรู้ทุกล่วงที่สิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็กลับมาได้มันก็รู้ได้อย่างจริงเห็นได้จริงจริงปฏิบัติได้อย่างจริง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 คำยังเกงไม่มีคำถามหรอกคำถามแบบนี้ไม่ต้องสําหรับชาวพุทธหรอกอ่างบการกระทำไะ ห, หรือเวลาเราปฏิบัติคําว่าทําไมทําไมก็ไม่มีทาไมเรายังทําไมได้ทําไมคนนั้นยังทําได้ไม่ไม่เออเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวไงความรู้สึกตัวเนี่ ย, ต, ยตัดตัดภาษาที่ใช่ที่ฟุ่งเฟื่อยฟุ่งเฟ้อ์ฟุ่ง เ, เ, เฟื่อยออกได้เยอะแยะ รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปถ้าไม่เราจึงหลงอยอมพระพุทธเจ้าตัดรลุเนี่ยอริยสัจสี่เนี่ ย, ยทุกสมุทัยในโลดมัตสี่อย่างสี่อย่างนี่รวมลงมีสองอย่างคือเหตุกับผลเจ้ที่เหตุเอาไปวาา่าอันเดียววันเนยเอธรมาเหตุปปปวาเตสังเหตุตรงตถาคต ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุพระอาัศกาิแสดงให้ภาษาลีบุตรฟังบรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเลยอรสัจสี่เนี่ยง่ายๆเป็นสิ่งเป็นเป็นเกณฑ์หรอเป็นเกณฑ์เอามาลงตรงนี้ได้เราใช้ชีวิตที่เป็นกราวาสครองเรืองเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นผู้ตามก็ตามอะไรก็ตามมามีหลักตรงนี้แหละ หลักอริยสัจสีเนี่ยเอาไว้ใช้กับชีวิตของเราอย่างถูกต้องออย่างถูกต้องหรือมันมีเหตุไม่ผลถ้าทุกเกิดอะไรเป็นเหตุความหลงสมุทยัยทุกสมุทัยในโลดมักสมุทัยเป็นเหตุถึงมีทุกถ้าแก้ก็ต้องแก้สมุทยัย สมุทัยคืออยไรคือมันหลงอย่างเราที่สร้างสติเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะทำไมมันจึงหลงเพราะไม่รู้เมื่อรู้สึกตัวมันก็ไม่หลงโอ้มันก็มีเท่านี้เลยเมื่อไม่หลงก็ไม่ทุกเมื่อไม่หลงก็ไม่โกรธเมื่อไม่หลงก็ไม่โลภเมื่อไม่ก็หลงทันทีทันทีทันทีเลยแม้มันจะหลงก็แชื่ได้รู้สึกตัวไม้มันจะโกรธก็รู้สึกตัว แต่แท้ก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันมากเหมือนแสงสว่างความรู้สึกตัวเมื่อถ้ามันมากมันก็รู้แจ้งโลกเหมือนดวงอาทิตย์ความรู้สึกตัวเมื่อมันน้อยก็เหมือนแสงเดี่ยวเมื่อรู้สึกตัวถ้ามันน้อยลงไปก็แสงเทียนลิบปลีหิงห้อยวับวแแบบแบบแบบมันไม่พอใช้เราจึงมาสร้างให้มันเป็นมหาสติมหาสติคือมันมาก แล้วก็มากได้จริงๆเรายกมือสร้างจังหวะ14จว่จังหวะจังหวะหนึ่งวินาทีหนึ่งไม่เกินหรือไม่ช้าก็านั้นถ้าลู้ทุกวินาทีไม่ต้องมาลู้ทุกวินาทีลู้ไปต่อเรื่องเหมือนสายโซ่เหมือนโซ่ไม่ต้องไปกำหนดตรงบางทีหลวงพ่พูดว่าวินาทีหนึ่งลู้ที่เอาก็ไปตรงนั้นดีก็ไปยึดมันตรงนั้นดี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 ได้เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธมันสุดหัยใจได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันสุดหัวใจต้องทํางานอันนี้ลองดูพวกเราอยา่าไปเปลี่ยนและดื่นเก่งอย่างอื่นเกินไปไปเก่งอย่างอื่นแต่ไม่เก่งตรงนี้มันก็ไปไม่หลอดนะต้องเปลี่ยนตรงนี้ต้องเก่งตรงนี้ไว้ก่อนเป็นทุนก่อนมันหลงลู่ขึ้นมามันทุกลู่ขึ้นมามันโกรตลู่ขึ้นมา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 เรื่องยาเสพติดก็ไม่ได้พูดอะไรแต่นี่มันมีปัญหาบานปลายไปพูดเรื่องเสียงแวดล้อมวันนี้นะจะมีกรรมธิการเสียงแวดล้อมของสภาผู้แทนมาวัดเราเวลา4โมงเช้าหลวงพ่อก็จะไปบรรยายสรุปที่ศาลานะแล้วก็จะพาเขาเดินดูไม่รู้วใครบอกเข้ามานะ เราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไม่ควรไม่ถึงกับคณะกรรมาการมาทั้งยี่สบสาสิบคนเราก็กระจกคิดย้อยนิดหน่อยเราก็ปลูกป่าดูแลสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นปัญหาเราถึงมีกรรมาการต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพราะอะไรมันสิ่งแวงดล้อมเนียเป็นเพนไสิ่งแวดล้อมมันใหญ่หลวงต่อไปเนี่ย ต่อไปจะออกไปไหนไม่ได้แล้วโลกนะต้องอยู่ที่เดียวแล้วร้อนร้อนเขาก็เที่งระเบิดแล้วโกโจนโก่วินาศกรรมใช้เครื่องบินก็มีปัญหาใช้รถไปก็มีปัญหาไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องอยู่กับที่กับทางแล้วพวกเราสุกโตก็ไม่มีที่ปลูกข้าวหรอกปลูกป่าหมดแล้วมีแต่ที่ปลูกผัก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 บราท่านว่าสิ้นเปลืองนะไปคิดอะไรมากมายความสิ้นเปลืองเกี่ยวความคิดเกินสิ้นเปลืองเกี่ยวความลง่เกินสิ้นเปลืองเกี่ยวกความโกรธเกินสิ้นเปลืองเกี่ยวความทุกข์มันเอาชีวิตเราไปนานเท่าไหร่เราไม่รักชีวิตเราจะเป็นรักอะไรต้องเป็นชีวิตชีวิตต้องไม่เป็นอะไรปกติบ้านของชีวิตคือปกติปกติที่แน่นอนที่สุดคือกิจ ส่วนร่างกายก็ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ยึดไว้ก่อนคือจิตใจต้องปกตินะถ้าจิตใจปกติลุยได้เลยโลกเนี่ยไปเลยถ้าจิตใจไม่ปกติเหมือนมีแผลคอยเจ็บปวดถึงกิตถึงใจก่อนอะไรก็เข้าถึงกิตก่อนอะไรก็เข้าถึงกิจก่อนมันไม่ใช่แล้วไม่มีคุณัภาพชีวิตแบบนั้นนะ มาฝึกแบบนี้มาฝึกแบบนี้ยำเป็นไหมจำเป็นไหมจำเป็ น, ปนถ้าไม่ปกติเราก็มีปัญหาบานปลายทะเลวิวาดเกิดโรคไข้ไข้เจ็บอะไรต่างๆเกิดโจรขอวินาศนี่นะคิดคนเดียวสองคนขับเครื่องบินชนตึกเซ็นเตอร์พังคนตายเป็นหมื่นๆความคิดของคนไม่ผลกระทบ กับพวกเราบางคนหนึ่งตัดต้นไม้เราไม่ได้ตัดต้นไม้สักต้นเราก็ลําบากแล้วเนี่ยเราจะไปแก้ทีงไหนแก้ทุกคนทุกคนมาดูแลตัวเองมาเจริญสติรั ด, ดมือเดียวรัดเนี่ยมือเดียวคนในโลกห้าพันกว่าล้านคนห้าหมืนอะไรไม่รู้ทุกคนมาดูแลตัวเองอย่าไปเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์เอาชีวิตเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเข้าไป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 การกระทของเรามีสติมันเป็นส่วนรวมเป็นสุขส่วนรวมถ้าไม่ปฏิบัติทำก็เป็นทุกข์ส่วนรวมเราคนเดียวเป็นสุขส่วนรวมก็ได้อะเราคนเดียวเป็นทุกข์ส่วนรวมก็ได้เราจะใช้ชีวิตแบบไหนที่เราเกิดมาเนี่ยพบพระพุทธศาสนาไปเนาะก็ะพุทไปนี่แหละวิเนาะได้ยินไหมวิ เออเ อ, อ๋อวันนี้ก็สมควรเจอเวลาแหละเก้าอี้ e อยู่ที่ไหนลนะ่ะขอขอขอออกไปสลาไปใช้สลาหน้าสักหน่อยนะขอตอนรับพวกเน่ด้วยเก้าอี้สักหน่อยเนอะดีไหมจันตุ่มจันชงศิลจันบริเทพจันจุกให้เขานั่งเก้าอี้สักหน่อยเนาะจะมีการสายจะไล่เน็ตหน่อยให้พวกเด็กชมรมเด็กลักนกเขาเอามาหลวงพ่อก็จะบรรยายเนตหน่อยให้เขานั่งเก้าอี้สักหน่อย จะเก้าอี้อยู่นี่มีกี่ตัวหน่งมีเท่าไรมีไหมแต่ก่อนเคยเอามาไว้ที่นี่หลายๆตัวเดี๋ยวนี้กระจายไปอยู่ที่ไหนขอคืนด้วยเอาไปไหว้เอาไปไหว้เจลาให้ทันตอนสามโมงเด้อใจเย็นบ่ะผู้ใดเห็นเก้าอี้เสร็ไหนอ๋อไปไหว้เจลาไปใช่ล้วค่อยเอากลับมาใช้ก็ได้